งั้นเราฟังพระสูตรบ้างนะพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตากับตนเองนะอย่างข้อความในมรรคกาสูตรจากคำภีสังยุตตนิกายสขาถวกโกศลสังยุตบอก ง, งั้นพระสูตรห ล, ลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้ามารวบรวมมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศล น, นี่มีมเมหสีอยู่หลายองค์ด้วยกันนางวาสภคัขติยาเอวยพระนางมารคกาเอวย อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระนางมาริกาก็เลยชื่อว่ามาริกาสูตรนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามแห่งท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัติสมัยนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลกับพระนางมาริการาชเทวีได้ประทับณปราศาสตรอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้ตรัสกับพระนางมาริการาชเทวีว่ามาริกา คนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเนี่ยมีแก่เธอบ้างไหมเธอเนี่ยในโลกนี้เธอรักใครที่สุดว่างั้นที่เธอรักมากกว่าตัวเธอเองเ่มีไหมก็คือพระราชาเนี่เขาพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อก็บอกว่าพระองค์นี่แหละเป็นที่รักที่สุดของหม่อมชั้นอย่างเงี้ะเาอยากพูดฟังคำนี้นะแต่พระนางมาริกาไม่สมปะระสงเลยนะเล่นไม่เ ข, าข้าาเลย พนางมาริกาได้ทูลสนองว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนไม่มีแก่หม่อมชันดอกมีแก่พระองค์บ้างหรือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่านเนียมางมาริกาคนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแม้แก่ชันเออชันก็รักชันนี่แหละมากที่สุดนะนะคือที่แรกก็จะบอกว่าเออถ้าหากว่าพนางมาริกาบอกว่า พระ อ, องค์เนี่ยเป็นที่รักที่สุดนะพะนางมริกาถามอย่างนี้คืนก็จะบอกว่าฉันก็รักเธอนั่นแหละมากที่สุดอีกนั่นแหละแต่ทีนี้พระนางมารีกานี้ก็เป็นพุท ธ, ธาสาวิกาเป็นอุปถายิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าพระเจ้าประเส้นที่โกศเนี่ยบางแห่งกล่าวว่าฟังอย่างนี้ฉุนกึกเลยมั้ยเออเขาเป็นคนทุกคนยากเป็นลูกนายมาลาการเอามาเป็นมเหสีเนี่ยก็น่าจะรักเราที่สุดอเลยนยไม่พูดอย่างนี้เลย น, นะบางแห่งท่านก็กล่าวตําหนิในลักษณะนัน้นนะพระเจ้าประสเส ที่โกศลคิดในใจครั้งนั้นพระเจ้าปรปเสนที่โกศลเนี่ยเสด็จลงจากปราสาสต์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวยายบังคมเรื่องนี้ไม่เคลียร์ใจนะตอบก็ตอบไปอย่างนั้นแหละตอบประชดนางเมริกานะที่ตอบเนี่ย ก, ก็ยังฟังไม่เคลียร์ประทับนั่งที่สวควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วพระเจ้าปรปเสนที่โกศลได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ได้อยู่ที่ปราสาสตอันประเสริฐชั้นบนกับพระนางเมริการาชเทวี ได้พูดกับพนางมาริการาชเทวีว่าแน่นมาริกาคนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนมีอยู่แก่เธอบ้างไหมนางมาริกาก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่า ง, งั้นพนางมาริการาชเทวีได้ตอบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนไม่มีแก่หม่อมชั้นดอกอและมีอยู่แก่พระองค์บ้างไหม ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์ได้พูดกับพระนางมริการาชทีวีว่าแน่ยมาริกาคนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนไม่มีแม้แก่ชั้นเหมือนกันนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาา น, นั้นในเวลานั้นว่าก็คือที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะบุคลคลค้นหาด้วยจิตตลอดทิศ ต, ตลอดทุกทิศไม่ได้พบใครซึ่งเป็นที่รัก ยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆเลยสัตว์ทั้งหลายเราอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นนะผู้ที่รักตนก็จึงไม่ควรเบียดเบียนนี่คําว่าเบียดเบียนมีกี่อย่างเบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาและเบียดเบียนด้วยใจนะเบียดเบียนด้วยวะด้วยกายเป็นยังไงนะเคยทําให้คนอื่นมีความทุกข์ไหม ในทางกายนะยกมือยกไม้นี่เงื้อหอกคือฝ่ามืออย่างเงี้ยเป็นต้นแกคนอื่นอ่ะนะไม่ต้องพูดถึงทุบอ่ะนะแค่ยกมือขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจแล้วละอันนี้เขาเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นนะาวาจาเคยกล่าวอักโกสวัตถุด่ากระทบชื่อกระทบ โ, โคตรกระทบตระกูลกระทบผิวพรรณกระทบหน้าตากระทบการงานศิลปะวิทยาฐานะไอพวกคําพูดกระทบกระเทียบลักษณะนี้ก็ชื่อว่าขาดเมตตา นะเป็นคำดา่าเปรียบเปรยต่างๆนานาพวกนี้ก็เป็นคำคำดาด่าซึ่งเป็นถ้อยคาที่ขาดเมตตาถ้าหากว่าขาดเมตตาทางใจเป็นไงนะมองคนอื่นด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร น, น, นะนะตรงข้ามกับมิตรก็คือดูหมิ่นเยียดยม้มดูแคลนต่างๆอันสภาพจิตที่ที่เป็นไปกับมานะเป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นสภาพจิตที่ขาดแคลนเมตตาเหมือนกัน สภาพจิต ท, ที่แห้งแล้งอะนะใจของคนประเภทนี้เนี่ยน่าสงสารเหมือนกันนะใจใครก็ใจใครก็รักษาเอาไปแล้วกันแต่ปัญหาถ้าไอจิตชนิดนี้มันเกิดบ่อยๆมีโทษนะสะสมมากๆมีแต่ความเสียหายนะอนสายโทรศัพท์เนี่ยพูดอย่างนี้มีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่เป็นพระสูตรเกี่ยวกับในในโกศลวักเนี่ยนะ พูดถึงเศรษฐีท่านหนึ่งอ่ะที่สะสมกิเลสสายโทสะคือคือถ้าโทสะมันเกิดขึ้นเนี่ยน ะ, ะเจตสิกที่ที่เป็นบริวารของเขามีอะไรบ้างอนะโทจตุ ก, กะมีเท่าไหร่มีสี่นะ 1. หนึ่งอิจฉาอิจฉาก็จะเข้ามาแล้วสองอิจฉากริษยานี่อันเดียวกันนะ ส, ม, สมัดเอสองมัจฉริยะแล้วก็ต่อไปก็กุจจะ อิจฉามัชระยะกุกุจะสามตัวเนี่ยจะเป็นลูกน้องของโทสะเป็นบริวารเขาทัานคนที่สะสมแนวความคิดลักษณะนี้มากๆก็เป็นคนที่น่าเห็นใจเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างในในพระสูตรนี้ว่าครั้งนั้นพระเจ้าปเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเที่ยงวันถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกลางวันแตกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคว่าไ น, น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าประเส้นที่โกศลว่าเชิญเถิดมหาบพิษพระองค์เสด็จมาจากไหนมาในเวลาเที่ยงวันโอ้เที่ยงเที่ยงก็ยังมาเพรางั้นพระเจ้าประเส้นที่โกศลก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเครหบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้กระทากาลกิริยาแล้วข้าพระองค์ให้ขนทรัพย์สมบัติอันไม่มีบุตรรับมรดกนั้นมาไว้ในวังแล้วก็มาเพางั้น ไปขนรัพ์เข้าคลังหลวงอยู่เหนกันาแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเฉพาะเงินเท่านั้นมีเลขศูนย์อยู่เจ็ดตัวนี้เท่าไหร่มีสิบเขาบอกว่าสิบล้านส่วนอ่าสิบล้านอ่ะนะมีมีเงินอยู่10บล้านสิบล้านสมัยนั้นควายตัวละสองบาทสมัยนี้ตัวละสอง0มื่นหรือมืเศษอย่างเงี้ยห่างกันเยอะนะ เขบอกว่าส่วนเครื่องรูปิยะนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้เฉพาะเงินบริสุทธิ์เงินแท้ๆเลยเนะเพราว่า10บล้านไอ้ส่วนรูปิยะกหาปณะเรียนบาเรียนสิบเรียนอะไรพวกนี้เยอะแ ย, ยะไปหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ครหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารเห็นปานนี้คือเขบอกว่ารวยขนาดนี้นะชีวิตการเป็นอยู่คือบริโภคปลายข้าวกับน้ําส้มพระองค์ก็คือกินข้าวกับน้ำผักผักดองอย่างเดียวหท่านั้น ถ้าเป็น้าอีสานเขาบกอะไรน้ำส้มน้ำส้มผักเสี้ยนอ่ะผักเออผักผักเสี้ยนนี่เขาเอาไปดองใช่ไเอาไปดองเกษตรือมาคลุกกระเข้ า, ขากินอะ่ะเขบอกอาหารอย่างอื่นก็กินไม่ค่อยลงอะ่ะอย่างงี้ย่อยดีที่สุดะนะบางคนเนี่กินข้าวหอมมะลิไม่ได้เนะะลองไปกินข้าวไอ้ที่มันชั้นชั้นที่มันกระจอกที่สุดอะ่ะจึงจะกินได้แต่กินข้าวหอมมะลิเมื่อไหร่เนี่มันเมามันวินเวียนมันอแต่ละพัดอะ่ะเขบอกเศรษฐีคนนี้ก็เหมือนกัน ใช้ผ้านุ่งผ้าห่มก็เห็นปานนั้นเอาผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าเก่าๆผ้าปานผ้าเนื้อหยาบๆมาให้ใช้คือผ้านุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบที่ตัดเป็นสามชิ้นเย็บติดกันนะครับว่าเย็บเอากระสอบมาห่มอนอย่างนั้นได้ใช้ยานพาหนะเห็นปานนี้คือใช้รถเก่าๆก้าน ร, ร่มทาด้วยใบไม้ร่มที่ใช้ก็ใช้ใบไม้นะใช้ใบตองอะ่ะประหยัดที่สุดเลยนะสุดยอดตันโดดเลยว่า อันนี้ก็ว่ามันเป็นตระกูลอัตตะกิละมัานุโยกเกินไปนะเนาะกว่าใช้ไม่เหมาะสมแต่บางคนเนี่ยในยุคนี้ก็มันพอมาฟังสูตรนี้เข้าก็จะกลับลดทันนิยมสูงเกินความเป็นจริงอีกกับยุ่งอีกเหมอือนกันนะนั่นแหละใช้เกินใช้เกินฐานหน้อีกก็พระองค์ก็ตําหนิอีกนั้นพระองค์นั้นจึงให้รู้จักใช้ทรัพย์ที่ถูกต้องนะพระองค์ก็ที่จริงก็สอนอยู่นะประโยชน์ในโลกนี้แต่ว่าหาความพอดีให้เจอกัอนแล้วกัน เศรษฐีคนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาเอาอาหารดีๆมาให้กินนะไม่กินด่าด้วยนะด่าลูกน้องด่าบริวารด่าคนใช้หมดอะถ้าเขาตัดผ้าอย่างดีมาให้ใช้ก็ดาหารถอย่างดีมาให้ใช้ก็ดาก็สรุปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาปิฏข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนมหาปิฏข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนมหาปิฏเรื่องเคยมีมาแลว้วครหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้น ได้สั่งให้จัดบินทบาตถวายพระประเจกผู้ทธเจ้านามว่าตาัครสิกีนะก็คือสั่งครอบครัวสั่งบทสั่งภรรยาว่ทาท่านทั้งหลายจงถวายบินดะคือก้อนข้าวแก่สมณะแล้วลุกจากอาสนะเดินหลีกไปนะสั่งให้ภรรยาหรือสั่งให้ลูกเนี่ยนะใส่บาทตัวเองก็จากไปแต่ครั้นถวายแล้วภายหลังไม่มีความเสียดายว่า บินธบาตนี้ธาตุหรือกรรมกรพึงบริโภคยังดีกว่านอกจากนี้เขายังปรองชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะเหตุทรัพย์สมบัติอีกดูก่อนมหาบาพิตการที่เครหบดีผู้เป็นเสร็จีนั้นสั่งให้จัดบินธบาตทวายพระตะรัคระสิกขีปัจเจกพุทธะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เจ็ครั้ง นะกุศลเจตนาที่สั่งให้ทํากับะ้าหันครั้งนั้นเนี่ยนะเทวโลกเจ็ดครั้งด้วยวิบากอันเป็นส่วนเหลือของกรรมนั้นเหมือนกันได้ครองความเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี่แหละถึงเจ็ดครั้งนะนะว่าสั่งคำนั้น น, นนะมีผลต่อชีวิตตั้งสิบสี่ชาติ <c oughs> ดูกานมหาบพิษการที่ครหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถวายแล้ว ภายหลังได้มีความเสียดายว่าบินทบาทนี้ท่าหรือกรรมกรพึงบริโภคอย่างดีกว่าคือคือพอสั่งสั่งให้เขาใส่บาทเสร็จใช่ไหมก็ไปธุระที่อื่นกลับมาอา้าวท่านได้อาหารแล้วเลยก็ได้แล้วก็เลยไปเปิดดูในบาตรพอเปิดดูในบาทเข้าอุ้มเสียดายมัจฉริยะใหญ่เลยนะตอนนี้เกิดขึ้นมากมายมหาศาลผ้านี่กินแล้วจะไปทาอะไรนั่นแหละให้คนงานกินยังพอได้การในงานบ้าง เสรแล้วก็บอกว่าด้วยวิบากของกรรมนั้นจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอันโอฬานนะจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อใช้ภาคเครื่องนุ่งหม่มอันโอฬานจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อใช้ยานพาหนะอันโอฬานจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคเบญจา ก, กามคุณอันโอฬานคือไม่อยากใช้ของดีเลยสักอย่างเดียวนะไอโอปานิัยอันนั้นเนี่ยนะมันสำคัญจริงจริงนะ ไอ้ชาวนะก่อนที่ทำกุศลเสร็จแล้วมัจฉริยะเกิดในภายหลังอ่ะไอ้ชาวนะอันนั้นเนี่ยไปเป็นอุปนิสัยบันรนตัดรอนชาวนะหลังๆที่จะทำให้เกิดใช้เข้าของเครื่องใช้อ่ะอุปนิสัยอันนั้นมาปิดแนวความคิดอันนั้นเนี่ยมีมีมความสำคัญมากดูกอนมหาบพิษก็แหละการที่ครหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นปลงชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชาย เพราะเหตุทรัพย์สมบัติด้วยวิบากของกรรมนั้นเขาจึงถูกไฟเผาอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีอ๋อหลายแสนเลยนะไม่รู้เอาเท่าไรคูณนะเพาด้วยวิบากอันเป็นส่วนเหลือของกรรมนั้นเหมือนกันทรัพย์สมบัติอันไม่มีบุตรรับมรดกของเขานี้จึงถูกขนเข้าพระคลังหลวงเป็นครั้งที่เจ สรุปแล้วเกิดทุกชาติเป็นเศรษฐีอย่างนี้หมดทรัพย์สมบัติเข้าพระคลังหลวงหมดเจ็ดชาติไม่เคยมีลูกมีหลานรับมรดกซากอย่างเลยนะด้วยกรรมที่ไปไปฆ่าลูกของพี่ชายอ่ะคือคือพี่ชายเนี่ยออกบวชพี่ชายเนี่ยออกบวชพอพี่ชายออกบวชเสร็จอพี่ชายก่อนออกบวชนี่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งตัวเองเป็นน้องก็ต้องแบ่งมรดกครึ่งหนึ่งกับกับลูกของพี่ชายแต่ทีนี้ก็เลยเอฆ่าซะ ก็เลยฆ่าพี่ชายทิ้งพี่ชายคนนี้ก็คือถ้าจําไม่ผิดนะก็คือพระโพธิสัตว์ในอดีตชาตินั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองอนะเกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเขาในอดีตชาติเคยเกิดเป็นน้องของพระโพธิสัตว์เหงือนกันอ <c oughs> ันด้วยโทษที่ฆ่าน้องไอฆ่าฆ่าหลานเนี่ยทําให้ตกนรกด้วยแล้วก็ทําให้ไม่มีผู้รับทรัพย์มรดกของตัวเองด้วยเนะดูก่อนมหาภพิด ก็บุญเก่าของคอหรหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สะสมไว้คิดดูนะไอ้เจ็ดชาติหรือสิบสี่ชาติที่ผ่านมานี่ไม่ได้ทำบุญอีกเลย น, นะกินแต่ของเก่ามาสิบสี่ชาตินี่นะพอบุญเก่าหมดทำไงดูก่อนมหาพิษก็วันนี้ครหบดีผู้เป็นเศรษฐีถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรวรุวนรกอย่าไปเยี่ยมเลยนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเยี่ยมหรอก พระเจ้าระเนสนที่โกศลทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐีเข้าถึงมหาโรรุวะนรกอย่างนั้นหรือนะพระเจ้าระเสนที่โกศล น, นี่สงสัยฟังผิดหรือเปล่าวะเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นมหาประพิตรคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐีเข้าถึงมหาโรรุวะนรกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าคู่สุคศาสดาครั้นตรัสไว้อย่าง คำร้อยแก้วนี้จบลงแล้วจึงได้ตัดพระคาถาคำร้อยตรองต่อไปอีกว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือข้าวของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ธาตุกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขาพึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องละทิ้งไว้ทั้งหมดคือสรุปแล้วก็คือข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในโลกนี้เดี๋ยวก็หมดไป แต่คิดอีกนายหนึ่งนะคืออย่างสมมุติว่าคนก่อนๆที่เขามีทรัพย์สิเนเ่ยนะเวลาเข้าจากนี่เขาพาอะไรติดตัวเข้าไปบ้างไม่มีซากอย่างก็บุคคลทํากรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขานะชาวนะหรือเจตนาที่เกิดกับพฤติกรรมคําพูดแนวความคิดของเขาทั้งหมดสิ่งนั้นแหละคือตัวของเขาที่จะไปในวิถีชีวิตของเขาต่อไป อันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทํากรรมดีสั่งสมกรรมดีไว้สําหรับภายหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเราเห็นโทษของสายโทสะนะกิเลสสายโทสะซึ่งมันต่อมาด้วยมัชยริยะเป็นต้นทําให้ทุกโทษเนี่ย โ, โหพันกันทั้งหลายชาติใช่ไหมแต่เมตตาของพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าสมัยเกิดเป็นสุเนศาศาสดาเจริญเมตตาอยู่เจ็ดปี อ, นะอยู่ในพรมลโลกเท่าไหร่กี่กลับนะเจสังวัตวิวัตตะกลับนะเป็นเท้าส ก, กะอีกสามครั้งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกหลายครั้งวนะ่างั้นด้วยผลของเมตตามันแล้วแต่การสะสมนะแนวความคิดของเรานะาในพภบต่อๆไปอีกหลายๆภบนั้นอนะ่ะสังเกตจากว่าอัตตะสัมมาปณิที่ขณะนี้ของเราคืออะไรคือชีวิตของเราเนะี่ยที่ที่เราจะเดินไปมันได้รอบใช่ไหมรอบตัวเลยจะเดินไปทิศไหนอ่ะ ทิศไหนเป็นทิศที่ดีเขาจึงว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอไปสู่สุขตินั่นเองอนะฉะนั้นทิศที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนั้นอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สภาพจิตของเราอะนะแล้วแต่การสะสมของเราฉะ น, นั้นคนที่สามารถฉลาดคิดให้เป็นกุศลได้คนนั้นฉลาดที่สุดในโลกนะใครสามารถหาเหตุให้คิดเป็นกุศลได้ก็เป็นกุศลได้ เห็นน้ำ้ะคิดเป็นกุศลได้คนนั้นเก่งที่สุดในบรรดาคนเห็นน้ำนะคนเห็นสีเนี่ยนะมองแล้วจิตเป็นกุศลได้เก่งมากฟังเสียงแล้วจิตเป็นกุศลได้เนี่เก่งมากคิดเรื่องอะไรก็ตามเถอะแต่คิดแล้วเป็นไปกับกุศลเนี่ยเก่งมากแต่ถ้ากุศลชนิดเดียวกันนะเกิดบ่อยๆซ้ำๆมากๆพัฒนาขึ้นเป็นชานเอาสินะถ้าสามารถทากุศลกุศลชนิดเดียวกันบ่อยๆมากๆเป็นชาญได้นะ แต่ถ้าไมวิปั ส, สนาภาวนาถ้ามันเกิดติดติดกันบ่อยๆมากๆเจ็ดวันนี่ได้ผลเลยนะผลแบบไหนอนนาคามีผลสินะเขาบอกว่าอารหัตผลเหมือนกันถ้าอุปาทานยังเหลืออยู่ก็เป็นอนนาคามีแต่ว่าวิปั ส, สนาต้องเกิดซ้ำๆกันเจ็ดวันนะทาไมครบเจ็ดวันนี่บอกว่าไปเดินจงกรมอยู่เจ็ดวันแต่คิดเรื่องอื่นมาตั้งเจ็ดเจ็ดวันด้วยเหมือนกันเนี่ยแล้วถามว่าทําไมไม่ได้เป็นโสดาบันเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ พระก็ไม่รู้เหมือนกันเจ็ด ว, ว, วันก็เอ่ะถ้าจะนอนก็สี่ชั่วโมงยกให้ไปที่เหลือคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวฮ <4 40 S 1> ะระ 140. อ้อยสี่สิบชั่วโมงนะของเราจเจริญวิปัสสนา ย, ยัางไงให้ชาตินี้ทั้งชีวิตเลยนะคิดแต่เรื่องวิปัสสนาให้มันได้ร้อยกว่าชั่วโมงเนี่ยนะแล้วทํายังไงให้มันมาต่อกันเข้านะถ้าบอกว่าของเราอาจจะบวกลบคูณหารอาจจะต่อกันถึงร้อยชั่วโมงใช่ไหม แต่ถ้าไฟติดติดดับดนิ่งก็หงเข้าไม่สุขเหมือนกันนะการเจริญเมตภาวนาก็เหมือนกันคือจริงอยู่เมื่อวานก็วิปัสสนาแล้วหนึ่งครั้งอล้นะวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งปรเนินนี้อีกครั้งหนึ่งก็ไปเรื่อยๆวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งอย่างเงี้ยแม่ถ้าข้าวนี่น่าจะบูดก่อนเลยเนาะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรได้อุปนิสัยเลยละ่ะคนที่สะสมบุญมาถึงชาตินี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไในสายท่านี้ไม่ได้ก็ท่าหน้าใหม่ แต่ปัญหาว่าตั๋วให้ทันกันแล้วกันสะสมตั๋วพอถึงพระผู้มีพระภาคประนามว่าเมตตยยะก็ค่อยยังชั่วนหน่อยใช่ไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้มาก่อนล้ามาตั้งสองพันกว่าปีแล้วองค์หน้านี่ก็สิ้นหวังทั้งทีเลยนะบุญอะไรบ้างที่พอที่จะเป็นเหตุว่าคนเนี่ยปรารถนาจะไปเกิดยุคทันยุคพระสิยานนะี่แต่ก็ในยุคนี้ก็ไม่ค่อยชอบศึกษาพระธรรมเหมือนกันอะ่ะถ้าเกิดในยุคพระสิยานนี่จะไปทําอะไร ใช่ไหมก็คือสมมุติถ้าอยู่ยุคนี้ฟังธรรมก็ไม่ค่อยชอบฟังศึกษาก็ไม่ค่อยชอบศึกษาคือสรุปแล้วไม่ชอบคําสอนเลยถ้าเขาไปเกิดทันพระพุทธเจ้าเขาจะไปทําอะไรใช่ไหมเกิดเจอพระองค์พระองค์ก็ถ้าคนไม่มีบุญเก่านะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเวลาจะสงเคราะหสัตว์จะโปรดสัตว์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยจะตรวจสอบดูก่อนว่าสัตว์ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมีเท่าไหร่นะก่อนที่ที่พรหมจาราธนาใช่ไหม พรหมมาจโลกาทิปฏิสหมปติเนี่ยก่อนที่จะกล่าวพรหมราชนาปั๊บเนี่ยพระองค์เนี่ยเช็คสัตว์เลยสัพทานยุตยาเนี่ยตรวจสอบเลยว่าสัตว์ทั้งโลกมีเท่าไหร่คล้ายๆแบบนี้ในจํานวนนั้นเนี่ยนะสัตว์ที่เป็นพัพพสัตอะพัพสัตมีเท่าไหร่นะแล้วแบ่งจริตนะมีกี่จริตแบ่งอัธยาสายัยแบ่งอุปนิสยัยแบ่งบุญเก่าแบ่งอะไรเบ็ดเสร็จหมดแล้วที่อุปมาเหมือนกับบัว สเหล่าตรงนั้นเนี่ยกล่าวบัวสามเหล่าแต่ในที่อื่นๆกล่าวบัวสี่เหล่าแต่เฉพาะตรงนั้นเนี่ยเอาเฉพาะผู้ที่จะตรัสรู้ได้มีอยู่สมพวกคืออุคติตันยูสองวิปจิตตันยูสามนัยยะบุคคลนี้คือกลุ่มที่ตรัสรู้ได้ที่ไม่ตรัสรู้เลยเรียกว่าปะดะประมะว่น ง, งั้นมีบทเป็นอย่างยิ่งฟังเท่าไหร่ก็ไม่ได้บรรลุแต่ถ้าฟังแล้วไม่สานยนะนะถ้าไม่บรรลุใกล้ตายก็ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาก็มาสักกิกกดสกิดได้บรรลุได้ เทวดาด้วยการมาสกิดเป็นต้นเนี่ยจะได้บรรลุพระองค์นี้ตรวจสอบก่อนบอกว่าแล้วก็จะจำแนศสัตว์เขาบอกว่าในช่วงที่พระองค์ตรวจสอบเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับบุรุษมีตาดีขึ้นอยู่บนยอดเขาขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงแล้วสา ม, มารถที่จะมองเห็นทุ่งนาโดยรอบได้ชั้นใดในคืนเดือนมืดกระท่อมกระท่อมรอบภูเขาเนี่ยนะกระท่อมไหนที่จุดไฟไว้ คนมีตาดียืนอยู่บนยอดเขาเดือนมืดจะมองเห็นเฉพาะกระท่อมที่จุดไฟไว้ไกลขนาดไหนก็มองเห็นเพราะมีแสงสว่างเอาไว้พระองค์นี่ก็จะตรวจสอบอัธยาศัายมองเห็นขนาดนั้นแหละแต่ถ้าคนไม่มีบุญนะอยู่ข้างๆกุฏิก็มองไม่เห็นนั่นแหละมองไม่เห็นเขาไม่มีบุญเขาว่างนันเขาบอกว่าคนไม่มีบุญเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนกับลูกศรที่ยิงไปในขืนเดือนมืดยิงยังไงก็อ ม, มองไม่เห็นเลย แต่ถ้าคนมีบุญเนี่ยมองเห็นไกลไเหมือนภูเขาหิมพันธ์ันงะฉะั้นคนมีบุญเนี่ยพระองค์อยู่ไกลขนาดไหนพระองค์ก็ไปไปสงเคราะห์ไปอนุเคราะห์แต่ถ้าคนหมดบุญน่ทำไงของเราเนี่มีบุญนี่แหละแต่ว่างน่าจะใกล้จะหมดแล้ะถ้าไม่สะสมใหม่ก็ยุ่งกันนะอ น, นะมีใครมีคำถามอะไรไหม ได้ได้อ่านพบที่ว่าถ้าจเจริญถ้าจเจริญมิปัสสนาติดต่อกันนี่นะติดต่อกันได้จริงๆ7เจ็ดวันเนีบรรลุมีเจอมีกล่าวไว้ไม่ใช่แห่งเดียวไม่ใช่กล่าวไว้แห่งเดียวนะครับเราเห็นว่าอํานาจของการตรึกที่เป็นกุศลวิตกนี่นะถ้าเป็นโลกียะนี่ก็ได้ชานนะ ถ้าโลกุตละนี่ก็ก็เรียกว่าได้ได้มรรคผลที่ดีแต่ถ้าเกิดบอกว่าการเจริญที่มันเป็นการเจริญที่เป็นโลกุตละแต่ไม่ใช่การคิดนี่สงสัยเนจะ็ดวันไม่คิดเลยนี่ชักแปลกๆเหมือนกันคนที่ไม่ใช่ว่าคนคนที่ไม่คิดนะก็มีเหมือนกัน<ม>พระที่เข้านิโรธสมาบัติอ่ะท่านไม่คิดเลย<ม>ท่านไม่มีจิตเลยแม้แต่ดวงเดียวเลย อันผู้ที่ไม่คิดคือผู้ที่เข้ามีโรคสมาบัติคนที่เหลือคิดทั้งนั้นอ่ะคิดอะไรพระพุทธเจ้ายังมีคิดเลยพระองค์คิดอะไรนายวิตกสูตรไงเขมวิตกเป็นต้นอ่ะพระองค์ก็ยังคิดน่ะพระพุทธเจ้าก็ยังคิดอยู่เพราะพระพุทธเจ้ามีจิตชนิดไหนบ้างมีมหากิริยาจิตนะเอาเฉพาะที่เป็นชาวนะนะพระองค์นี่มีมหากิริยาจิตมหากริยาจิตของพระผู้มีพระภาคเกิดร่วมกับปัญญาเจตสิก ก็ถ้าปัญญาเป็นประธานก็จะคิดตามแนวปัญญาถ้าการุณาเป็นประธานก็จะคิดแต่ในเรื่องกรุณาถ้าเมตตาหรือเรียกว่าอัโทสะเป็นประธานก็จะคิดในเรื่องอโทสะถ้าศีลเป็นประธานก็จะคิดในเรื่องของศีลมันแล้วแต่ว่าเจตสิกดวงใจเป็นตัวเด่นพระองค์ก็จะคิดไปตามแนวนั้นมากๆแต่ว่าของพระผู้มีพระภาคจะสมดุลกันอันวิชากจารณ์วิชาก็คือปัญญาการณะก็คือมหาการุณานั่นเองงนั้นสองอย่างนี้สมดุลกัน พระองค์นี้จึงสงเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าคนมีกรุณามากถึงอัคติสงสารมากๆนี่จะเข้าอัคติเลยนะแต่ถ้าปัญญามากๆเปอร์เซนโกงสูงแต่ถ้าปัญญากับกรุณาพอๆกันนะสมดุลจะเหมือนกับพระผู้มีพระภาคนั่นแหละเพราะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องพุทธคุณดีเนี่ยนะจะรู้ว่าเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอนุภาพมากมายมหาศาล อย่างเจตนาเจตสิกของพระ อ, องค์นั้นเป็นเจตน า, เจ ต, นาเจตสิกที่ไม่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนเจตนาของ versus. อย่าไปว่าเราเลยนะห่างกันแล้วเกินนันนะนเจตนาก็ต่างกันสัญญาของพระพุทธเจ้าก็ต่างกันกับเรานะก็เจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวก็ต่างกันจิตคุณภาพของจิตก็แตกต่างกันนะรูปร่างกายนี่ก็ต่างกันแล้วต่างตั้งแต่รูปประกายก่อนนะบุญที่สะสมมาในอดีตก็ต่างกัน รูปปัจจัยก็ต่างกันนามกายคือเจตสิกจิตเจตสิกเหล่านี้ก็ต่างกันงนั้นเจตสิกของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นไปกับกรุณาเนี่ยมากนะแล้วก็เป็นไปกับฌานจิตฌานจิตที่เป็นมห ah คัตกิริยาทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์จะเข้าพระสมบัติเป็นอัธยาศัยแสดงธรรมเนี่ยจะสลับสมมติว่า แสดงทำจบคนสาธุปั๊บเข้าพร ะ, ระสมาบัติปื๊ดเสร็จกําหนดเวลาได้เป๊้เลยออกพอดีก็คุยต่อได้ด้วยสัพพัญยุตญาณี่พระองค์ได้ตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดเลยว่าพระองค์ควรจะทํำยังไงในกิจนั้นๆควรนิ่งก็นิ่งบางทีก็นิ่งทั้งคืนไม่พูดดี ก, ก็ไม่นะพระองค์เนี่ยเป็นผู้รู้กิจรู้การรู้ความเหมาะสมทั้งหมดเลยในการส่งข้อสัตว์นะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออะไร เพื่อสงเคราะห์พุทธเวไนยเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่จะได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าคนที่จะก่อทุกข์ก่อโทษนะพระองค์กลับไม่ไม่สนใจเลยนะสมมติว่าสองคนเนี่ยมีคนอยู่สามคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าพระองค์แสดงธรรมแล้วสองคนบรรลุนะอีกคนหนึ่งเนี่ยผูกเวรจะต้องตกอเวจีเลยเนี่ยนะ พระ อ, องค์เนี่ยไม่นึกถึงคนที่จะตกอเวจีเลยเนียพระ อ, องค์เนี่ยมุ่งสองคนที่จะตรัสรู้ธรรมเท่านั้นเองยกตัวอย่างที่พระ อ, องค์เนี่ยทรงแสดงธรรมกับมาคันธยะพราหมาสามีภรรยานะมาคันธยะพราหมณ์กับนางพระมณีเนี่ยเป็นพผ้านาคามีจบสูตรนั้นเสร็จแล้วออกบวชตอนหลังก็เป็นผ้าอรหัน์ส่วนลูกสาวเนี่ยผูกเวรพระพุทธเจ้าตกนรกนะตกนรกแบบ <c oughs> แต่คนธรรมดาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เหี้ยมโหดขนาดนั้นนะวิบากของของนางเนี่ยก่อนตาเนี่ยรู้สึกจะทรมานเหลือเกินก็สั่งให้ปาดเนื้อเนี่ยทีละชิ้ น, นมาทอดเสร็จแล้วต้องกินเองด้วยไม่กินก็ยัดเข้าปากแล้วก็ปาดมาทอดใหม่ก็อยู่อย่างเงี้ยจนเกือบตายอ่ะนั่นแหละเสร็จแล้วก็ใช้วิธีอื่นอีกตั้งร้ายวิธีในการกว่าจะฆ่ากว่าจะฆ่าได้เนี่ยให้มันทรมา น, นยังไงก็ได้ให้มันสุดยอดเจ็บปวดที่สุดเลย พระเจ้าอุเทนเนี่ยก็สรรหาวิธีฆ่าอย่างเลือดเย็นหน้าเดิมกันนะแต่จากครั้งก่อนเคยเป็นไม่เห็สีที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยรักมากนะแต่พระพระนางมาคันธยาเนี่ยวางแผนเผาพระนางสามาวดีกับบริวารอีกห้าร้อยซึ่งห้าร้อยนั้นเป็นอริยะทั้งหมดเลยนะห้าร้อยนั้นเป็นอารยะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทรธรมมอันนั้นเนี่ยมันแรงมาก พระเจ้าปร์เซนที่โกศธจากคนที่เคยรักกันมากกลับเป็นคนที่วางแผนฆ่าอย่างเลือดเย็นด้วยเสร็จแล้วไม่พอนะบอกว่าเธอมีญาติเท่าไหร่บอกมาให้หมดฉันจะให้พรนะพันฆ่าญาตทั้งหมดเลยเอามาฝังถ้าเครื่องตัวเนี่ยนะเสร็จแล้วเอาฟางเนี่ยกลบแล้วก็จุดไฟเผาเสร็จแล้วก็ไถ ท, ทั้งเป็นนั่นแหละสุดยอดเลยนะของเราดีแล้วนะเกิดยุคนี้ไม่ทันเห็นแต่ก็ได้ฟัง แต่ได้ฟังแล้วเป็นสิ่งที่ควรจะสังเวทว่าหลักเทวทูตมีอยู่ว่าเทวทูตมีอยู่ว่าหลักมีว่านะถึงเราเองก็ไม่ได้พ้นจากยังไม่ได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นเลยนะควรแล้วที่เราทั้งหลายจะทำกุศลให้เมกเพื่อที่จะให้พ้นสภาพแบบนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันเชื่ออยู่ว่าพ้นแล้วจากสภาพแบบนั้น แต่ถ้าผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันนะกองทุกยิ่งกว่าภูเขาหิมพนันเหมือนั้นอั้นกองทุกที่เราจะต้องได้รับในอนาคตนี่ไม่รู้อะไรใช่ไหมคนที่ที่เขาเสียชีวิตเป็นต้นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะชีวิตของเขาก็ใช้ชีวิตคล้ายๆเราแต่ว่าชาวนะเขาอาจจะไม่เป็นไปกับภุสุนเท่านั้นเองแต่วิถีชีวิตการยืนเดินนั่งนอนการพูดการเล่นการทํามาหากินทั่วไปเลยนะอย่างคนประเทศ ประที่ถูกแผ่นดินถล่มอ่ะ น, นะประเทศที่ถูกแผ่นดินถลม่มประเทศที่ถูกน้ําท่วมที่ถูกไฟไหมคนเขาก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกันกับเราแต่ชาวนะอาจจะต่างกันแต่ในด้านรูปปัจจัยการนุ่งการหอมการกินการเป็นอยู่จะคล้ายๆกันกิริยาการเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนั้นเขาไม่ได้ตายจากต่างจากเรานะพระองค์นี้จึงสอนให้เจริญมรณานุสติว่าเราทั้งหลายจะต้องมีความตายเป็น แน่แท้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการตายนะตายด้วยเหตุสาตายด้วยเหตุกี่อย่างหนึ่งเพราะมหาภูตรูปวิบัตินะมหาภูตรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันวิบัตินะธาตุดินวิกำเริบธาตุน้ำกำเริบธาตุลมกำเริบธาตุไฟกำเริบ ธาตุดินกำเริบนะธาตุดินภายนอกก็เช่นรถชนรถตำลูกปืนอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าธาตุดินจากภายนอกถธาตุ ด, ด, ดินภายในอ่ะอ่านะอ่นะอมาพลึกเอามพาดเป็นต้นนั่นเองที่ต้องแข็งทื่อธาตุน้ําภายนอกอ่านะน้ําท่วมตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าตธาตุน้ําภายในกำเริบอนะ่ะน้ําท่วมปอดน้ำท่วมปอดนะเขาบอกว่าในร่างกายนะ มันแปลไปเป็นเป็นน้ําเน่าทั้งตัวนนคือคือในธาตุน้ําเหล่านี้นะถ้าถ้าอากุศนมันให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามหาภูตรูปมีสมุธฐานสี่อย่างทั้งกรรมจิตอุตูและอาหารนะว่าไอ้มหาภูตรูปคือธาตุน้ำเนี่ยซึ่งเกิดจากสมุธฐานสีเนี่ยแล้วแต่ว่าสมุธฐานใดแต่สรุปแล้วทําให้เน่าได้ทั้งทั้งตัวเลยไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นเรียกว่าธาตุน้ํากําเริบธาตุน้ําภายนอกมาท่วมกว็าตาย ถ้าน้ำภายในวิบัติก็ตายเมืกันเกือบแล้วเกือบแล้ว่าเคยเห็นคนเรียนธรรมะนะคนบางคนเรียนในห้องเนี่ยเก่งมากที่สุดแต่เป็นคนมีมานะที่สุดก็ยได้ยินนะแต่ฟังเข้าใจง่ายที่สุดแต่ยิงที่สุดอย่างนั้ในนั้นอ่ะคนบางคนเนี่ยสงสารคนอื่นที่สุดเสร็จแล้วก็เที่ยร้องไห้ช่วยเหลือกิจการงานที่ไม่ควรทํากันไปเรื่อย เขาบอกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันมากไปก็จะเป็นลักษณะนั้นอกุสโลเอกุสโลธ ร, รมโมอกุสละสะธรรมมะสะอุปนิสยปัจิเยนะปัจโยอกุศลก็เป็นอุปนิสัยให้เกิดอกุศลก็เป็นอุปนิสัยให้เกิดอากุศลได้ทีนี้มาต่อเรื่องตายต่ อ, อะนะไม่ลืมเรื่องตายนี่มหาภูตรูปวิบัตินะธาตุดินวิบัติธาตุน้ําวิบัติธาตุลม ลมภายในลมภายนอกก็ลมภายนอกเราก็จะได้เห็นข่าวกันบ่อลมภายในวิบัติก็ลมมันตีขึ้นอนะ่ะถ้าลมมันตีขึ้นเนี่ยวิวบัติเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีลมอีกหลายหลายอย่างอ่ะนะแล้วธาตุใดตัวธาตุนะาไฟนะธาตุไฟเนี่ยนะหนาวตายเนี่ยนะหนาวจนตายร้อนจนตายหรือว่าความหนาวความร้อนมันเกิดขึ้นในตัวส่วนหนึ่งก็สามารถทําให้จุติได้นะต า, ตายได้เจ็บฟวด ความร้อนเกินไปก็ช็อกเลยนะเชิญานเพราะนี่นะคือเหตุให้ตายอันดับแรกคือชุดที่หนึ่งคือมหาภูต ร, รูปสี่วิบัติมหาภูติรูปนั้นเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารก็ไปไล่เอาอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้วิบัติของธาตุดินนั้นนะ่ะมาจากอะไรเป็นสมุทรฐานธาตุน้ําที่มีปัญหานั้นมาจากสมุทฐานอะไรธาตุลมที่มีปัญหานี่นมาจากสมุทรฐานอะไรธาตุไฟที่ที่ทําให้กำเริ่มนั้นเกิดจากสมุทฐานอะไร ทุกที่2ว่าด้วยชีวิตเนื่องด้วยอาหารชีวิตที่เราไม่จบอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็เพราะว่าเติมให้ตลอดเติมถึงเวลาก็เติมจนลืมอ่ะแต่ถ้าลองว่าช่วงไหนว่าจะอดข้าวเนี่ยชักชกสะดุ้งละนั่นแหละรู้ว่าจะหมดเชื่อเพลิงไม่หมดปัดจจัยแล้วอันรูปอาหารนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อชีวิตต่อชีวิตตีนซีเพราะไอาตายก็คือชีวิตตีนซีแตกดับนั่นเอง เมื่อชีวิตรูปดับชีวิตนามก็ดับไปด้วยเพราะไม่มีวัตถุที่อาศัยให้อาศัยเกิดละทันอาหารนี่มีอิทธิพลต่อรูปทั้งสี่สมุธฐานนะเหตุให้ตายต่อไปก็คืออาหารแล้วต่อไปอีกอย่างก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกจิตอันสุดท้าย <c oughs> จิตอยู่ข้อสุดท้ายแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นปัจจัยรองจากอาหารลงมา นะแต่ถ้าปิดจมูกก็อาจจะเร็วกว่านะ<ม>นั่นแหละปิดจมูกก็สายยางอย่างนี้นะแต่ว่าสรุปแล้วลมหายใจเข้าเนี่ยนะออกซิเจนที่เข้าไปนั้นมีความสําคัญมากถ้าขาดก็ตายแน่นอน<ม>แล้วสุดท้ายก็ชีวิตเนื่องด้วยจิตนะชีวิตเนื่องด้วยจิตเพราะจิตนี้เป็นปัจจัยให้จิตกลุ่มจิตติโรขเกิดจิตนี้เมื่อเกิดขึ้นยังเป็นปัจฉาชาแต่ปัจจัยให้กลุ่มโรคที่ ทั้งสสมุธฐานเนี่ยอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าจิตนี้ดับปับ๊บหมดเลยจบกันเพราะนั้นจิตนั้นจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากแล้วท่านก็กล่าวว่าแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวแม้แต่พรหมมีอายุ 84,000 กับก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวนัะพราะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความตายเป็นที่สุดรอบราะชีวิตนี้เป็นสังขารใช่ไหมสังขาร สภเพสังขารานิจาสังขานที่เที่ยงไม่มีนั่นแหละเนี่ยนะเอคือถ้ากล่าวมหาภูต ร, รูปนะใช่ไหมว่ามหาภูต ร, รูปมีสมุทฐานสีนะคือกรรมที่จะให้ผลก็มาให้ผลมาเบียดเบียนมหาภูต ร, รูปเมื่อมหาภูต ร, รูปวิบัตินะชีวิตรูปคือซึ่งเป็นอุปาทายรูปก็วิบัติไปด้วยเจนิญพรอันเข้าไปเล่นที่มหาภูต ร, รูปแทน ถ้ากล่าวมหาภูตรูปรูปที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้ว